d a s h a r a n gaccha. สค น, ค, นนคนเนี่ยถ้าไม่รู้จกักศีลเบื้องต้นด้วยแล้วเนี่ยอามาจะพูดตลอดว่าสติปัฏฐานจะตั้งยังไงอามามั่นใจว่ายมนี้ต้องฟังไม่ตามกว่าสิบรอบ เรื่องศีลอย่างเดียวเนี่ที่ที่พูดอย่างนี้ยเพราะเพราะต้องการที่อยากจะชี้ประเด็นให้เห็นไงว่าฝึกตั้งแต่การเรียนเนี่ยอามาพูดเมื่อวานเนี่ยอามาพูดว่ายมพูดเรื่องการเข้าคอร์สปฏิบัติอามาก็ฟังดูแล้วอามาก็ถามบอกว่าใช่เข้าไปทําอะไรมันไม่ใช่ห้ามเนะ่อามาถามบอกว่า คนเนี่ยถ้าไม่รู้จกักศีลเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยอามาจะพูดตลอดว่าสติปัฏฐานจะตั้งอย่างไงมันจะตั้งอย่างไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วมาแล้วพูดถึงเรื่องคนติดคุกเนี่ยเขาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมแต่สติปัฏฐานตั้งได้ที่ไหนก็ตั้งไม่ได้อามาพูดถึงคําว่าเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเนี่ยกับเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการลักนี่เหมือนกันมึเจตนาเดียวกันไหม คนละเจตานาใช่ไหมคนละเจตานาและเวรเจตานาที่เป็นเหตุแห่งการบุพเพผลิดในกามเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จเวรเจตานาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวส่อเสียดเวรเจตานาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวคําหยาบเวรเจตานาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเพื่อเจ้อและที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยลองไปไข่ควรดูแต่ละครั้งแต่ละครั้ง มันใช่ไหมว่ามันใช่การปฏิบัติขัดเก่าจริงหรือไม่ไปดูไปไขควนไปคิดแล้วเอามาใช่มันได้จริงๆตรงนี้ไงอามาเป็นห่วงามามองรู้ไงพราะมองรู้เนะี่ยมันไม่ใช่ไปเดาที่ใหญ่ได้แค่เห็นจากคาพูดเห็นจากการกระทําทเห็นจากการแสดงออกเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นเป้าหมายวัตถุประสงค์คือทํำยังไงจะทําให้กุศลจิตุบาอกกู และเข้าใจคําว่าเจตนาศีนี่ชัดจริงๆใช่ไหมถ้าเจตนาศีนมันชัดเนี่ยเจตนาเท่านั้นมันเป็นกรรมกรรมที่กระทําเนี่ยกรรมที่มันเกิดขึ้นในในที่จะเป็นที่จะเป็นปาติโมกสังวรศี น, นี่ยอมก็อ่านมาเอาอ่านมาลงช่วยอธิบายามาฟังหน่อยดิอธิอ่านมาเลยว่าปาติโมกสังวรศีเนี่ยเป็นศีเนี่ย สีในปาฏิโมกเนี่ยแล้วแล้วมันเกิดยังไงแล้วชีวิตของยอมยอมสมาทานยังไงเห็นไหมสมาทานยังไงแล้วการสมาทานนะั้นมันเข้มแข็งดีไหมเออมันชัดเจนหรือไม่แล้วอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยในการล่วงละเมิดเนี่ยมันเจอทุกวันทุกโอกาส แล้วทําไมล่ะสภาวะที่งดเว้นทําไมเหมือนตัดเวและเจดนาไม่ได้อะทําไมการคาพูดต่างๆมันว่าหลุดออกมาเรื่อยละ่ะแล้วถามอย่างนี้แปลว่าเราไม่มีศีลน่ะสิแต่เนี้ยก็คือไม่มีศีลก็มันล่วงละเมิดมาแล้วก็กลายเป็นทุศีลนี่แล้วความทุศีลอย่างเนี้ยสติปัฏฐานจะตั้งยังไงตั้งยังไงแต่เนี้ย มันตั้งไม่ได้ก็เอาแล้วแต่เนี้ยนี่ไหมชั้นศีลเนี่ยยมต้องไปนั่งปรึกษาใหม่คุยใหม่เลยเหละทุกคนเป็นอย่างนี้หมดจะศึกษามากน้อยอยังไงต้องไปนั่งขัดเกาียมวยหมดเพราะเพราะมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อุ้ยฟังมาแล้วฟังมาแล้วมันไม่ใช่มาไม่สนใจเราจะฟังมา่ายังไงก็แล้วแต่ประเด็นก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มันใช้ได้เกิดได้ระงับได้ แล้วสามารถควบคุมไม่ให้บาปเผย อ, ออกมาทางกายทางวาจาได้จริงเออไม่ให้บาปเผย อ, ออกมาได้จริงไ อ, อ้ตรงนี้หรือไม่มันต้องสามารถลักษณะการควบคุมดิจิตริโมกอะ่ะมันต้องคุมกายกรรมวจีกรรมได้จริงหรืออันนี้เราก็ต้องดูว่ามันคุมได้จริงไหมใช่ไหมเออมันคุมได้จริงหรือไม่ทีนี้ถ้าหากว่าคุมได้ไม่จริงมันต้องแก้ไข พรเพื่อการขัดเราียวย์้ะไม่ใช่แก้ไขคนอื่นแล้วแก้ไขวิธีคิดแสดงว่าไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลและไม่มีเจตนาศีลเป็นต้นแล้วนี่บองบอกให้เห็นชัดก็คืออะไรถ้าเจตนาศีลที่จะเป็นปฏิโมกคขังวนศีลมีอะไรเป็นประธานอ้มีอะไรเป็นประธานเ น, า น, นี่ยตรงนี้มันก็มันก็จะเริ่มจบไปเรื่อยๆอะไตัวเนี้ยคำว่าตอบไม่ได้คือมันเดินไม่ได้เลยนะ ถ้ามันตอบไม่ได้หรือเข้าใจไม่ได้แปลวมันเดินกุศลศีลข้อนี้ไม่ได้อันนี้มันศีลหลักเลยนะอย่าลืมนะศีลหลักเนี่แต่ศีลหลักนี่สุดเนี่ยยุ่งแล้วยุ่งแล้วศีลตัวหลักนี่มันสุดแล้วกุศลธรรมต่างๆมันขึ้นไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าลักษณะของศีละนะเนี่ยลักษณะการควบคุมใช่ไหม ทำให้กายกรรมวิจีกรรมเนี่ยไม่เกลื่อนกลลไม่กระจัดกระจายและไม่สร้างไปด้วยความทุศีลเป็นต้นเนี่ย <c oughs> ก็ต้องลักษณะของปฏิโมกเนี่ยสังวรสีเนี่ยต้องลักหนการควบคุมไม่บาปเผย อ, ออกมาบาปมันจะเผยมาทางไหนทางกายกรรมวจีกรรมแต่มันไปประชุมในใจก่อนแล้วมันถึงเผย อ, ออกมาทีหลังทีนี้ถ้าหากว่าคนที่มีปฏิโมกสังวรศีเนี่ยเขาจะควบคุม ไม่กายกรรมวจีกรรมเน่ยเผยบาปออกมาใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเราก็ลองสังเกตดูที่ว่ามันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจและเรียกให้ศีลมาเกิดได้จริงๆในใจอ่ะมันเหมือนมันเปื้อนเนี่ยแล้วบอกเอ้ยมาเช็ดหน่อยทีเนี่ยมันออกมาเช็ดได้จริงๆถ้าของที่เปื้อนอันนี้เหมือนกันกายกรรมวจีกรรมมันเกินคนเนี่ยแล้วมันคุมไม่ได้อ่ะมันเพ้อเจอไปวันวันเงี้ยฟุ้งซ่านไปวันวันเงี้ย มันพูดยาไปวันวันเงี้ยพูดเท็จไปวันวันเงี้ยพูดส่อเสียดไปวันวันนึงก็ไม่รู้เนี่ยรู้ตัวกันแล้วแต่เนี่ยนี่มันลักษณะของศีลมันไม่เดินก็ชั้นศีลไม่เดินแล้วกุศลธรรมต่างๆจะมาได้ยังไงเดมันก็ไม่มาใช่ไหมเพราะศีลหลักไม่มีแล้วเนี่ยมันแตกแล้วคําว่าทุศีลก็คือศีลมันแตกแล้วมันทําลายแล้วมันจะมีที่ตั้งของกุศลธรรมยังไง กุศลธรรมก็ตั้งไม่ได้อะอยังศึกษาพระธรรมเนี่ยนะศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปไปเสร็จแล้วก็อา้าบาปมันเกิดเรื่อยเลยอะอันนี้มันคืออะไรอะนั่งศึกษาพระธรรมก็บาปก็เกิดบาปก็เกิดนี่แปลว่าอะไรเนี่ยในชั้นศีลมันก็หลุดแล้วยางยังนี้มันต้องแก้ไขนี่อาการหนักนะถ้าแบบนี้อาการหนัก ถ้าเป็นคนก็คือคนไข่ดีๆนี่แหละมันต้องรักษาต้องพบผู้เร้ากแล้วเพเอ๊ะตรงนั้นมันใช้ใช่ไหมเออมาถึงบอกไม่ได้ใส่ใจว่าจะท่องมาได้เท่าไหร่จะไปเรียนปัฐานจะไปเรียนสติปัฏฐานจะไปเรียนวิสุทธิมรรคจบมอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นนะประเด็นว่ามันให้เกิดได้จริงเนี่ยชั้นพื้นฐานกุศลสติเราเดินได้ไหมนี่ไปตัวถ้ากุศลสติเดินไม่ได้ก็เรียนไปสิก็เป็นอลากระทูบริยัตเนี่ยอสิ ก็เรียนไปสิแล้วก็เที่ยวแ บ, บกคัมพีมานั่งโอ้อวดกันนะมันจะมีอะไรแต่เนี้ยไม่ใช่ไม่ดีนะเรียนเนี่ยแต่อย่างเงี้ยมันมันเสียหายผู้เรียนตกนรกอะ่ะเนเป็นอย่างนี้เวลามันน้อยแล้วทุกวันเนี่ยชีวิตเนี่ยน้อยมากเราเราต้องเร่งรีบการขัดเกลาจริงๆเวลามันเหลือน้อยน้อยน้อยมันน้อยไหมล่ะ เราหายใจจะขาดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่เราวิ่งพันๆกันอยู่เนี่ยถ้าขาดก็จบเลยมันก็ได้ความเข้าใจแค่นี้ยในสังสารวัตต่อไปก็จะดิด้นแบบความเข้าใจแบบนี้พอไปถึงครูบาอาจารย์องค์นก่นก่อนๆพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าโอ้โหคุณเรียนมาแย่อย่างนี้นี่ใช่ไหมเขาก็จะมองเราเลยโอ้โหเรียนมาแย่เลยนี่เรียนมายัางไงไนี่ศึกษามายังไงเนี่ยทำไมขาดเราได้แค่นี้ยไปประธานแล้ว แต่ฉันศีลหลุดหมดเนี้ยเอาสิไปสติปัฏฐานแล้วชั้นศีลหลุดหมดเนี่ยวิสุทธิมาร์กนู้นปัญญานิเทศแล้วแต่ฉันศีละนิเทศไปไม่เป็นเนี่ยเอาสิไปยังไงทำไมันก็กระจายไปทั่วนัว่นแหละทําไมไม่ประมวลประชุมลงในกุศลจิตให้ได้มันเกิดได้จริงเนี่ยไม่อ้างว่ากูดูชนได้ไหมกูดชนเนี่ยมันควรระวังหนักหนามันจะตกนรกเอาเลยนะเข้าใจไหมที่พอย่างนี้ ตรงนี้ต้องถึงบอกว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกามาศีลต้องไปแยกจนละเอียดแล้วออกจนเข้าใจแล้วใช้ให้ได้จริงๆถามว่าในชั้นของปฏิโมกสังวรศีลเนี่ยมีอะไรเป็นประธานเนี่ยเจตนาเหล่านี้ถ้าถามบอกว่าปฏิโมกสังวรศีลใช่เจตนาศีลไหมใช่ไหมใช่เจตสิกศีลไหมใ ช, ใช่สังวรศีลไหมใช่อวีติกามาไหม อ้าวิจิกรรมะคืออะไรไคืออะไรนะอะไรคือไม่ก้าล่วงคําว่าไม่ก้าล่วงอัดของไม่ก้าล่วงมันคืออะไรอัถาของเ ข, งขอลักษณะาการถ้าสภาวธรรมของความไม่ก้าล่วงได้แก่อะไรได้แก่ตัวกุศลอยไหมกุศลจิดุบาที่ไปนั่งแท่นอยู่ในใจอ่ะแล้วก็ควบคุมเลยอ่ะ ไม่ให้ล่วงละเมิดไง Wide Wide Wide enrolled, right i i headed, ไม่ให้ก้าวล่วงไม่ให้เผยบาปออกมาไงนั่นแหละคือกลุ่มของศีลนั่นแหละคือศีลลักษณะของศีลต้องจะมีลักษณะการไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงปาณาธิบาตไม่ก้าวล่วงอาทินาทานไม่ก้าวล่วงกาเมสุมิฉาจารไม่ก้าวล่วงมูสาวาตไม่ก้าวล่วงปีสุนาวาจาไม่ก้าวล่วงพุรุสวาราไม่ก้าวล่วงสัมผาภราปะเนี้ย ไม่ก้าวล่วงอภิชาไม่ก้าวล่วงพยาบาทไม่ก้าวล่วงมิจชาทิฏฐินั่นแหะลักษณะของศีนต้องไม่ก้าวล่วงสมมตินั่งเรียนว่าทาก็เงืบเงื้บอย่างนี้มันก้าวล่วงไหมลนะ่ะก้าวล่วงไหมย่างแล้วมีศีนไห ม, มก็คือทุศีนก็ศีนแตกไปแล้วเอาทำํำไงนี่ไงเขาใจยังว่าศีนมันไม่เดินแล้วมันเดินศีลไม่ได้มันทำอะไรเนี่ยอันนี้พูดถึงกุศลศีน มองออกไว้เงี้ยก็ศีลมันไม่เกิดเอาซิคุณจะไม่นั่งเรียนอะไรเรียนดูที่เรียนแบบศีลไม่เกิดเลยยอมมองออกไว้แบบเนี้ยเพราะลักษณะของกุศลศีลต้องไม่ก้าวล่วงใช่ไหมอันนี้ก้าวล่วงได้ยังก้าวล่วงแล้วก้าวล่วงทีนะมีท่าไปแล้วแล้วเป็นศีลได้ไงอ่ะก้าวล่วงกางมาฉันท่าไปแล้วน่ะศีลเกิดยังไงหงุดหงิดไปแล้วน่ะศีลเกิดยังไง ใช่ไหมมันก้าวล่วงพยาบาทไปแล้วแล้วมันไม่เพิด ม, มันไม่ยินดีอลไรนะงะมันไม่ยินดีในกุศลและธรรมเลยอ่ะขอดูท้อถอยหงอยเหงาเศร้าซึมเงยยงแล้วยางมันก้าวล่วงหรือยังศีลเกิดหรือยังไม่เกิดแล้วทำไมต้องถามมาทําอะไรอยู่เนี่ยที่แรกเอามาชื่นใจมากนะมาสึกมาโอ๊ยคนเขาเรียนกันมาทั้งนั้นเลยชื่นใจเลย เอาแล้วจะได้เดินสติปัฏฐานเต็มเต็มโศพแล้วเช่นใจนก็ต้องมาต้อนอยู่างเนี้ยต้อนขึ้นไปเนี้ยเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ส่งใจไปอื่นอีกแล้วว่าเอ๊ะเนี่ยมางคนก็ผ่านโชคการปฏิบัติมาทั้งนั้นเลยเนี่ยทํำยังไงแต่เนี่ยมาถึงถามว่าเป็นนั่งอะไรกันเนี่ยเป็นนั่งทําอะไรกันอยู่ ถ้าคนผ่านการเจรินกรรมาฐานมาแล้วมันต้องชัดเจนดิใช่ไหมต้องชัดเจนเข้าใจยังนี่ามาพูดพูดข่าเวลานี้อันนี้สนธนาสนธนานก็จะไปรู้ได้ยังไงคนไม่รู้จากโคนี่เลยใช่ไหมก็เหมือนเนี้ยก็เหมือนเมื่อเช้ายอมบอกเอามา ก็แต่ก่อนเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วอันนี้พูดตรงเลยนะซึ่งหลายๆคนก็คิดแบบนี้ก็คิดว่าไม่เห็นต้องไปแก้ไขอะไรเลยชีวิตก็ดีอยู่แล้วชีวิตก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้ไปทำชั่วทำบาปอะไรก็เพราะว่าก็ไม่ได้ไปทำชั่วทำบาปอะไ ร, ระก็รเขามีการทาบุญที่ไหนก็ไปทากับเขาใช่ไหมแต่ชีวิตมันก็ต้องมีการสนุกสนานบ้างกินอาหารก็ต้องอร่อยบ้าง แล้วก็ต้องมีการเพลิดเพลินบ้างไปเที่ยวที่นู้นที่นี่บ้างมันก็เป็นกันอย่างนี้เลยยิ่งมาเรียนธรรมะล้วก็รู้อ่ะไปเรียนปฐมเราก็ท่องได้อ่ะใช่ไหมไปเรียนอะไรจิตเจสิกก็ท่องได้หมดแล้วก็อย่างนี้ยงไงแต่อ้าวมันก็ต้องดูหนังฟังเพลงบ้างชีวิตเนะี่ยต้องมีการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วแต่ข้อที่จริงมันใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกลรู้อยู่เป็นกามมงคลโอ้ยพูดไปพูดมาท่านเป็นบุตุชนใครจะไปทําได้ นี้พูดกันแล้วก็เลิกคุยแล้วทีนี้เอาแล้วไปเลยแล้วใช่ไหมก็ปูดูชนเสร็แล้วทำไงก็จะเป็นเพรับประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอไปไปมาแวบนึงใจมันก็ออกใจมันก็ออกสรุปก็คือว่าเดินกุศลไม่ได้ต่อไปคอยฟังข่าวตลอดแต่นี่อ๋อเดี๋ยวไปเรียนที่นะั่มีตารางหมดเลยเนะี่เห็นก็ยังเอาตารางให้มาดูตารางมีตารางตลอดเอามาไม่รู้คือ ในขณะนี้ขัดเกายังไม่ทันเสจะใจเตลิดไปเรื่องอื่นเดี๋ยวจะต้องไปฟังเรื่องนั้นเดี๋ยวจะต้องไปนั้นไปแล้วไปทั่วแล้วไปหมดแล้วไอ้เวลานี้จะทำยังไงชีวิตมันมันเตลิดกันหมดเลยนอะมาดมองดูมันรีบเร่งอะไรกันรลยเร่งเร่งที่จะได้กลัวมันจะบาปน้อยไงก็เร่งใหญ่เลยใชเร่งใหญ่เลย เพราะหลุดจากนี้มันน่าจะมาไข้ควรวเอเวทนาเป็นยังไงใช่ไหมเออเราเราไม่รอบรู้เวทนาโทษของการไม่รอบรู้เวทนาเนี่ยมันทําให้เราวิบัติมาจนทุกวันนี้เวทนามันก็ลุกโพลงตลอดเวลาแล้วมันเวทนาทางกายมีกายเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดในปัจจุบันนีพบจริงๆแต่เวทนาก็ถูกจุดขึ้นใหม่ในขณะปฏิสนธิ แล้วก็ยกเวทนามาขึ้นใหม่เมื่อว่าจุดติดขึ้นมาก็ยกเวทนาขึ้นมาก็บริหารเวทนาแบกเวทนาอยู่นี่นะแหละแล้วในส่วนจริงเวทนาก็ไปดับลงที่จุดติดขณะอีกพอไปดับลงที่จุดติขณะก็จุดเวทนาขึ้นมาใหม่ในในขณะปฏิสนธิแล้วก็แบกขันธภารานี้ไปเลยบริหารขันธภารานี้ไปแล้วก็ไปทิ้งเวทนาก็ยกเวทนาขึ้นมาใหม่ เอ๊มันทำไมมันน่าเบื่อไม่ได้กับกรณีแบบนี้มั น, นก็ต้องคิดแต่เนี้ยใช่ไหมและเวทนาเนี่ยเป็นผลเนี่ยเป็นทุกข์สัตย์เนี่ยและตัณหาบวกกกรรมเนี่ยแล้วมันสร้างเวทนากี่ร้อยกี่ล้านกี่โกรธเวทนาที่มันจะไปในสังสารวัตรใช่ไหมไอเวทนาบางเวทนามันน่าเพลิดเพลินที่ไหนะเวทนาในอเวจีเนี้ยน่าเพลิดเพลินไหมล่ะเวทนาที่ในอเวจีมหานรกเนี่เวทเวทนาที่ใน อุสธานรกเงี้ยเวทนาที่ในโลหะปุมพีเงี้ยเวทนาที่ในสังคาตานรกเนี้ยโลกาติกานรกเป็นต้นเหล่านี้นดูที่เวทนาทั้งนั้นแล้วเราจุดในปัจจุบันภพนี้ไม่รู้เท่าไหร่ในเวทนาเหล่าเนี้ยแต่ว่าเวทนาเหล่านั้นเตรียมจุดล่อเราอยู่แล้วถ้าเรายังสามารถไม่สามารถละปฏิสนธิได้เวทนาติดแน่นอนเอาสิอันนี้มันเป็นหาใหญ่กว่ า, ก, วาการที่วิ่งเรียนนะ นี่เป็นหาใหญ่เป็นหาหลักของชีวิตเลยนะเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นโทษเบอ้อเลอ่เล ย, ยขนาดหนักเลยนะเนี่ยที่เราจุดกันก็ไว้แล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาน่ะกรรมที่ทําเพื่อจะทําให้ได้เวทนาเนี่ยเท่าไหร่แล้วคํานวณได้ไหมล่ะก็คํานวณไม่ได้ไม่มีกรรมไหนที่ไม่เคยทําเลยอะ่ะยกเว้นมรรคกรรมเอาแล้วเดีเยวนี้ทีนี้ในส่วนของกรรมที่ ไปเกิดในรูปภพอรูปภพนั้นเป็นอโหสิกรรมหมดแล้วแต่กรรมที่จะทําให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาและลงอบายภูมิยังไม่เป็นอโหสิกรรมนะถ้าถามว่ารองรับไหมไหวไมไหมเวทนาเหล่านั้นที่จะต้องไปแบกรับภาระเนี่ยมันไม่เย็นไม่สงบในปัจจุบั น, นบพระพิจาจะว่าอย่างไงอันนี้มันปัญหาใหญ่ของของสัตว์โลกนะที่เราจะต้องวิ่งแบกเวทนาไปในสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรียนใช่ไหม ฉะนั้นการสืบค้นคําสอนต้องสืบค้นเพื่อการขัดเกลอย่างยิงๆต้องเพื่อการขัดเกลอย่างยิงๆนันเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารของชีวิตของสัตว์โลกที่จะต้องแบกขันธภาระแบกเวทนาที่เป็นไปในสังสารวัฏเลยเพราะเวทนาพุทธเจ้าบอกบอกว่าเห็นไหมภิกษุที่กล่าวไว้ในเวทนาสังยุทธ์เนี่ยพุทธเจ้าบอกลอยไหมถ้าเหล่านั้นแปลว่าสบายใจได้แน่พระองค์มาให้กรรมฐาน รอรอให้เวทนาเย็นแล้วจะไม่ถือเวทนาใหม่เพราะเหตุปัจจัยของเวทนาทั้งหมดจริงๆทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเนี่ยโทษของการที่เราท่านทั้งหลายไม่รอบรู้เวทนาให้ชัดมีไหมไม่แยกแยะเวทนาให้ละเอียดละออไม่รู้จักเวทนาไม่เจริญเวทนา น, านุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านี้นั้นเสียหายเลยเลยเนี่ยาจำไหมว่าเพราะเวทนาทุงบอกว่าตัวที่ สร้างโรงงานที่สร้างเวทนาเนี่ยก็คือตัณหาเอาวิชาตัณหากรรมกลุ่มเหล่านี้อุปาทานพวกนี้เป็นโรงงานมือมาเนะมันกลัวสร้างเวทนาเลยแหละแล้วลมันสร้างมากมายจริงๆนีเวทนาเหล่านี้ที่มันจะสร้างให้ในอนาคตเนี่ยใช่ไม่ใช่แล้วในปัจจุบันนี้เรายังไม่หยุดสร้างอีกนี่ตีนหน้ากลัวตรงนี้สิเรียนรู้ว่าทํากันยังไงอ๋อเรียนรู้แล้วไม่ยอมหยุดสร้างเวทนาในอนาคตเนี่ยอันนี้แปลว่า ขัดหลักคําสอนแล้วเออเรียนคําสอนแต่ขัดหลักคําสอนเป็นผู้ปฏิบัติขัดหลักคําสอนเองจริงไงจริงเพราะเรามาเพราะหากว่าไอเวทนาในอดีตผ่านมาแล้วก็ไม่ว่ากันแล้วไอตอนนั้นเนี่ยไอตอนนั้นมันไม่ได้เรียนเนี่ยตอนนี้มันนั่งเรียนว่าทำไปเสร็จแล้วก็รู้เข้าใจพอสมควรแล้วเนี่ยฉะนั้นในปัจจุบันกรรมเนี่ยใช่ไหมต้องไม่ให้อวิชชาตัญหากรรม ม, มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยแก่การทุศี ใช่ไหมถ้าหากทุศีลเกิดขึ้นมา่อไรแปลว่าอะไรกรรมนี่มันบวกกับตันหาบวกกับใบมานาทิฐีต่างๆเหล่านี้ยที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะสร้างเวทนาที่ในอบายภูมิเลยซ้ำไปมันก็จะต้องตกไปในอบายภูมิอย่างที่พระบระม ศ, า ส, า, ศ า, สาสดาตรัสว่าปาตีบุคคลไงบุคคลที่จะต้องตกไปในบายภูมิและตกไปในสังสารวัฏเออเรานี่เป็นเป็นปาตีนะเป็นสาธิตต้องตกไปนะ วิญญาณที่ต้องตกไปในบัยภูมิเพราะองค์ก็มีกรุณาไงมีมหากรุณาธิคุณต่อเราก็ประทานเจตนาศีลเจศิกศีลใช่ไหมสังวรศีนวิติกมศีนเนี่ยอันต่างด้วยปฏิโมกสังวรศีนนั่นแหละแต่ถ้าในปฏิโมกนะั้นมีศรัทธานำเจตนาถ้าในอินทรีย์สังวรศีนนะั้มีสตินําเจตนาเป็นต้นเงี้ยถ้าในอาชีวะปริสุทธิศีนก็มีวิริยะนั่นแหละ ความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่บริสุทธิ์นั่นแหละนาเจตนาเจตสิกถ้าปัจจะญ า, าสันนิสิตศสินกับปัญญาไงเป็นตัวนาเจตนาเจตสิกสีนเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นประธานไปทีนี้ตัวศีนเนี่ยตัวกุศลแลก็คือกุศลจิตตุบาทใช่ไหมก็ต้องไม่ล่วงละเมิดต้องมีลักษณะการไม่ล่วงละเมิดไม่ก้าวล่วงต้องไม่ก้าวล่วง ทนี่มันก้าวล่วงบาปอกุศลและททุกวันทุกวันอยู่อย่างเนี้แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าศีลเกิดไม่เกิดศีลก็ไม่เกิดศีลไม่เกิดก็ทุ่ศีลเมื่อทุ่ศีลก็แปลว่าศีล น, นั้นแตกทําลายไปแล้วแล้วศีลแตกทําลายก็ต้องอะไรต้องสังวรระวังทันทีในขณะนั้นไม่ใช่รอวันพระรอพระหรือรออะไรต่า ง, างไม่ใช่นะต้องตั้งใจสมาทานและงดเว้นทันทีเห็นไหมต้องตั้งใจเดี๋ยวนั้นโดยสมาทานแล้วก็จำทับลงไปด้วยนะว่า จะไม่ให้บาปอกุศลและธรรมรามกที่เป็นเหตุแห่งการทุศีเนี่ยเกิดขึ้นในกระแสจิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปใช่ไหมก็สมาทานสมาทานเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันถึงจะตั้งมั่นแล้วมันจะตั้งมั่นยังไงถ้งนั้นมันก็อ่อนแอดิอย่างเงี้ยไม่แข็งแรงแล้วใช่ไม่ใช่ใจมันก็อ่อนแอก็ไม่แข็งแรงมันก็ไม่มุ่งมั่นแล้วมันก็ไม่ขัดเกล้าแล้วชีวิตมันก็เดินกุศลไม่ได้ต่อ อันนี้อันนี้ต้องไปฟังเทปแล้วไปฟังเทปที่บรรยายแล้วเพราะว่าเทปที่บรรยายไว้ก็เยอะในะเรื่องแบบเนี้ยเนี่ยมามาพูดเพื่อสรุปเนยแค่นั้นหนึ่งประเด็นต้องการสรุปไม่เข้าใจอันนี้มาก็รู้เลยว่าพวกเราไม่ทําการบ้านไม่ฟังมานั่นเองใช่ไหมต้องทําการบ้านใช่ไหมเพราะมันเรื่องชีวิตเรื่องจําเป็นที่สุดนะเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจศีลขึ้นมาแล้วเนี่ยเดินก็ผิดเนะ่ะพูดก็ผิดเนะี่ยเอาที่จะทาไงคิดก็ผิดเนะ่ะเพราะศีลมันเกิดไม่ได้จริงจะทำยังไงแต่เนี้ยจะทำยังไงถ้าศีลไม่เกิดเนะ่ะนอนนิ่งๆก่อนขยับขึ้นมาแล้วย้งอีกเนี่ยเนนะี่บาปมันก็เผยมาเีกเพราะจิตคิดจะขยับจะเขยือนเคลื่อ น, นไหวอะยังไง ม, มันควบคุมไม่ได้แล้ว มันควบคุมกายกรรมวจิกรรมไม่ให้ไม่ให้ทูศีลไม่ได้แล้วมันก็ต้องทูศีลมันก็เผยบาปออกมาอีกแล้วถึงบอกว่ามันเห็นได้บัณฑิตเขารู้ได้จากการที่คนพานทั้งหลายเผยบาปออกมาทางกายกรรมวจิกรรมเมืองฮันบัณฑิตเขารู้ได้นะไม่ใช่เขามีเจโตปริยาญาณไม่ใช่แต่บัณฑิตเขารู้ได้ว่าถ้าเผยบาปออกมาเงยเผยความทุศีลออกมาทําไมจะรู้ไม่ได้ใช่ไหม ก็สื่อไปถึงแล้วสอบถามก็รู้ได้แล้วคนเราจะรู้กันได้ว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนฟานก็รู้ได้จากการสอบถามสนทนาเ น, านี่ยใช่ไหมก็รู้ได้คําว่าจะรู้กันได้โดยการพูดคุยด้วยการสนทน า, นานใช่ไหมจะรู้ว่าท่านผู้นี้มีศีลหรือไม่มีศีลอยู่ด้วยกันเนี่ยสักระยะหนึ่งก็รู้สักระยะหนึ่งบัณฑิตก็รู้ได้ว่าท่านผู้นี้เดินกุศลศีลได้หรือไม่ได้แค่การกระทำออกมาก็รู้แล้วจะมาจะยินเป็นอย่างนี้ ลักษณะของกุศลศีลหรือการเจริญกุศลเนี่ยมันต้องเอาให้เกิดได้ยื น, ยนอันนี้พื้นฐานเป็นพื้นฐานของการเจริญกุศลเลยแล้วมันจะมีลักษณะการควบคุมหนึ่งใช่ไหมเหมือนกับอินทรีย์สังวรเนีย่ยนอกจากจะปิดไม่บาปเกิดขึ้นทางตวาตาหูจมูกลิ้นการใจอีกหมายว่าไม่ให้ราคาตัวสาโมหะมุนเข้าสู่กระแสจิตแล้วเนี่ยยังไม่พอยังไม่ที่กล่าวเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มอินรีย์ด้วย เพิ่มศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาด้วยถึงจะเรียกว่าอินทรีย์สังวรถ้าไม่เพิ่มอินทรีย์ขึ้นมาจะไปเรียกว่าอินทรียสังวรได้ยังไงอินทรีย์สังวรนั้นต้องหนึ่งต้องปิดบาปที่จะไหลสู่ทั้งทวารทั้งหได้และในขณะเดียวกันก็เพิ่มศรัท ธ, ธามากขึ้นวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยมันต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นการเจริญการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยประเด็นหลักอยู่ตรงไหนต้องตั้งอัธยาศัยไว้เลยว่า เมื่อไปฟังไปศึกษาแต่ละเรื่องแต่ละราวดีทั้งนั้นเนี่ยแต่ต้องขัดเกลาได้เวลาไปเรียนไปก็ทูศีลไปทุศีลไปในห้องเรียนด้วยอย่างนี้ก็จบเล ย, ยางานเนี้ยแล้วมันจบออกไปมันได้อะไรทตเนี้ยก็ได้ความทุศีลกลับมาก็เจ็บปวดแล้วก็ไปสร้างเวทนาอีกแล้วอยู่ใช่ไหมนี่เราจุดกระแสของเวทนานะถ้าทูศีล น, นี่ก็คือเวทนาในบยมภูมินะ นีคือเวทนาในใบยพูมินีน่ที่จะเป็นไปในสังสารวัตนีถึงบอกว่าเราเนี่ยในขณะถ้าเราไม่เข้าใจคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยเราจะกรรมที่ทําทุกกรรมเนี่ยสร้างเวทนาผิดพลาดหมดเลยสร้างเวทนาผิดพลาดเพราะเวทนาที่เป็นไปในสังสารวัตรเวทนาที่เป็นไปในสังสารวัต ฉะนั้นในคําสอนเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้มันจะเกิดความเข้าใจว่าฉะนั้นเวทนาจะไม่กําเริบหรือเวทนาจะไม่รุกรุงในพบต่อไปได้นั้นเนี่ยก็เพราะว่าความเข้าใจในคําสอนถ้าบอกว่าศึกษาคําสอนเบสเสร็จปุ๊บเนี่ยใจนั้นมันจะต้องน้อมไปเพื่อการดับเวทนาโดยส่วนเดียวน้อมไปเพื่อการดับเวทนาทีนี้ว่าไอ้คาว่าน้อมไปเพื่อการดับเวทนาต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยใช่ไหม เพราะเวทนาเนี่ยจะถูกดับได้ด้วยศิกขาสามทีเนี้คบอกว่าจะถูกดับด้วยศิกขาสามแล้วสีและสละิกขาเป็นต้นเหล่านี้มันมีลักษณะาการไม่ก้าวล่วงนี่ทีนี้เราศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาอยู่เราก้าว ล, ล่วงหมดเลยนะบางท่านก้าวล่วงปนานติบาตบางท่านก้าวล่วงอจินนาทานบางท่านก้าวล่วงกามเมสุมิฉาจาร์บางท่านก็ก้าวล่วงมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทธวาจาสัมผัสปลาปะบางท่านก็ก้าวล่วงอภิชาคือโลภะเกิดในขณะนั้น บางท่านก็ก้าวล่วงพยาบาทหรือบางท่านก็ก้าวล่วงมิจฉาทิฐิถามว่าถ้าอากุศลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นมันก็ก้าวล่วงถ้าก้าวล่วงก็ไม่มีกุศลศีลเมื่อไม่มีกุศลศีลการฟังธรรมก็ผิดพาดอีกเอาผิดพาดเองก็เนี่ยถ้าปล่อยใจไปที่ฟังธรรมเนี่ย น, นี่ก็ไม่ใช่อีกปรุงซ่านลำคาญใจไปก็ยุ่งอีกเลยเดี๋ยวนี้เยนั้นลักษณะของกุศลแลศีลต้องขัดเกลา ต้องขัดเกลาวได้ต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ต้งบอกว่าเรีย น, นดีไ้ยดีแต่ต้องมีลักษณะาการไม่ก้าวล่วงเกิดได้จริงๆด้วยแล้วก็กุศลมันต้องพัฒนาขึ้นการฝึกฝนการเพียรพยายามการเจริญขึ้น ข, นของศิกขาสามมันต้องเด่นชัดขึ้นด้ยอันนี้มันซดลงซดลงแล้วจนไม่มีแล้วก็ยุ่งแล้วแต่นี้เดินไม่ได้แล้วท่านเดินไม่ได้แล้วก็ลำบากแล้วท่านต้องขัดเกล้าตัวเองนะตรงนั้นหน้าที่ท่านต้องต้องปรับปรุงแก้ไขแล้ว อ้าบอลคือคือประเด็นอย่างที่กล่าวมันคือที่มามาก็ถามโยมประเด็นหลักอยู่ว่าถามโยมว่าเออเจะไปศึกษาอะไรยกโอ้ศึกษาไปหมดเลยเามาก็นะเราไปศึกษ า, าหมดเนี่ยเนีนนน่คือบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ดีไม่เคยไม่เคยไม่เคยจะไปตำหนิที่ชินการศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเลยเป็นเรื่องที่ดี แล่วมาก็บอกว่าคือในกลุ่มผู้ศึกษาเนี่ยต้องต้องต้องหันมามองตัวเองให้มากต้องหันมามองตัวเองให้เยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยมาจะก็จะคอยกระตกกลับมาเลยว่าเราจะเลยทงกันไหมเพราะาศึกษาไปศึกษามาบางทีเราไม่รู้เลยนะในความทุศีนี่ความมีศีลมันเกิดยังไงนะเพราะว่าลักษณะของกุศลศีนมันเกิดขึ้นก็ต้องมีรักนันการไม่ก้าวล่วงเลยอย่างที่ได้กล่าว บางคนเนี่ยศึกษาไปก็อาศัยว่าถ้าสนุกสนานก็ศึกษาไปหรือก็ถกเถียงกันหน้าดําตาแรงก็ศึกษาไปหรือในขณะเดียวกันบางคนก็เอาพุ่งสั้นก็ศึกษากันไปอยู่นี่นะมันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก้าวล่วงตลอดเอามาก็มองอยู่ว่ามันก้าวล่วงตลอดมันล่วงละเมิดตลอดอ้าลักษณะการก้าวล่วงนี้แปลว่าในชั้นของกุศลศีลมันก็เสียแล้วทีนี้ไอ้มาก็เลยบอกว่าเออรู้จักคําว่าศีลไหมก็ถาม ยอมว่าตอบผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยนะตรงเนี้ยมางทดไอ้ตรงนี้ยังไ ง, ไงผมบอกว่าบ้างพอไม่รู้จักแม้แต่ตัวศีลแตนแล้วนี่มันก็จบแหละ